สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้นนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืวิตเปเ ย, ยซูตอนที่ห้าร้อยสิบสองเปเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบเจ็ดในเช้าวันนี้นะครับพระวรจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่หกข้อเจ็ดถึงข้อสิบครับพระธรรมฮีบรูบทที่หกข้อเจ็ถึงข้อสิบครับโปรดฟังโระวรนะของพระเจ้า ด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแข่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟแต่ดูก่อนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้น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 เพราะเหตุที่ว่าผู้เขียนฮีบรูซึ่งหลายๆท่านนักวิชาการต่างๆก็หมายความว่าน่าจะเป็นท่านอัครทูตเปาโลอย่างนั้นก็ตามครับไม่มีการไม่มีใครสามารถที่จะฟันธงให้แน่นอนลงไปได้ว่าเป็นใครผมก็จะใช้เรียกท่านว่าผู้เขียนฮีบรูหรือบางครั้งก็จะสลับกันว่าอัครทูตเปาโล พี่น้องครับอัครุปเปโลนั้นทําให้เราเกิดความแน่ใจในความหวังเพราะเหตุที่ว่าเมื่อเราปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าเราจะต้องเกิดผลมากในข้อที่เจ็ดได้บอกว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ําฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์ทงทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้านั่นหมายความว่าพื้นแผ่นดินนั้นได้รับพระพรครับ พืชผักก็เป็นประโยชน์เป็นพระพรในขณะเดียวกันครับน้ำฝนที่ได้รับจากพระเจ้าจากฟ้าสวรรค์นั้นก็เป็นพระพรเช่นเดียวกันในทางกลับกันครับถ้าพื้นดินนั้นมีต้นนามใหญ่และน้นาย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบถูกแข่งสาบ พ, พี่น้องครับตรงนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราจะเปรียบเทียบ ข้อที่สี่ข้อที่ห้าก่อนหน้านี้ได้ก็คือเราสามารถแบ่งคนเป็นสองประเภทในคริสตจักรครับประเภทแรกก็คือได้บังเกิดใหม่แล้วและประเภทที่สองยังไม่บังเกิดใหม่คนที่ยังไม่บังเกิดใหม่นั้นเป็นสิ่งที่น่าห่วงเพราะเนื่องจากว่าดูเหมือนเขาจะเป็นคริสเตียนดูเหมือนเขาจะเป็นลูกของพระเจ้าแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับการหลงไปจากทางของพระเจ้า เป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องครับพวกเขาได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้านะครับได้เห็นฤทธเดชแห่งยุคที่จะมาถึงเขานั้นได้ชิมแล้วก็หลงไปครับหลงไปในที่นี้มีความหมายอยู่ก็คือหลงไปในขณะที่ตัวอยู่ครับความหมายอีกแง่นึงก็คือหลงไปแล้วก็หลงไปเลยออกจากโบสถ์ไปเลยแต่พี่น้องครับ ถามว่าอัครทูตเปาโลนั้นเน้นย้ําถึงใครครับเน้นย้ําถึงคนที่ทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยเน้นย้ําถึงคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆและได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับใช้เข้าไม่มีโอกาสคุกคลีอยู่กับคริสเตียนจนทั่งเขาดูเหมือนเป็นคริสเตียนเผลอๆอาจจะดูแล้วร้อนรนกว่าแอคทีฟกว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้า บังเกิดใหม่แล้วจริงๆพี่น้งครับจากตรงนี้เองทําให้เกิดข้อที่เจ็ดและข้อที่แปดเพราะว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วชีวิตของเขานั้นจะเป็นพรครับเขารับพรแล้วจะเป็นพรจะเกิดพืชผักให้แก่ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายแล้วก็ได้รับพรจากพระเจ้านะครับชีวิตของเขานั้นก็ได้น้ําฝนตกลงมาจากเพื้องบนอยู่เสมอนะครับ เหมือนกับเพลงที่บอกว่าเรารับพระพรดังฝนทั้งหาเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าพระพรที่มาจากเบื้องบนพระพรที่มาจากสวรรค์นั้นเราได้รับครับเราก็เหมือนกับแผ่นดินแห้งที่ได้รับนะฮในขณะเดียวกันครับมีคนที่ไม่ได้รับครับในข้อที่แปดบอกว่าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และต้นหนาย่อยเกิดขึ้นไร้ค่าจนเกือบถูกแช่งสาบ แล้วไหนที่สุดจะถูกเผาไฟพี่รองครับตรงนี้เองทําให้เราเห็นว่าตราบใดก็ตามที่เราปล่อยให้น้ํางอกขึ้นมานะครับที่นี่บอกว่าน้ําใหญ่และน้ําย่อยน้ําใหญ่ในที่นี้หมายถึงอุปสรรคใหญ่ครับน้ําย่อยหมายถึงปัญหาเล็กเล็ ก, ลกน้อยที่มันสะสมรวมตัวกันพี่รองครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ่ะมันก็จะบุรรณาการทําให้ชีวิตของเรานั้นถูกเผาไฟในที่สุด พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับทำให้เราเห็นภาพเห็นภาพของธรรมชาติที่ผู้เขียนฮีบรูนั้นได้ยกขึ้นมานะครับก็คือฝนแผ่นดินนะครับต้นพักการงอกการพวนดินทุกสิ่งอย่างครับนี่มาจากพระเจ้าทั้งสิน้นถือว่าเป็นพระพรแต่ส่วนพื้นดินอื่นนะครับที่งอกน้ำใหยน้ำย่อย ก็จะถูกทอดทิ้งบางครั้งก็ถูกยัอยุให้เกิดการแช่งสาปในที่สุดแล้วคนก็จะตัดมันออกและเอาไปเผาไฟเพื่อเคลียหน้าดินผู้เขียนฮีบรูนั้นใช้ภาพประกอบนี้เพื่อเปรียบเทียบสภาพฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนที่เกิดผลดีนะครับเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นที่ไม่เกิดผลสอดคล้องกับคาสอนของพระเยซูครับพระเยซูบอกว่าท่านจะรู้จักพวกเขาได้ โดยผลของพวกเขาเมื่อถึงตรงนี้นะครับผมก็คิดถึงในพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวพระธรรมมัทธิวบท ท, 10, บทที่13นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่13ในพระธรรมมัทธิวบทที่13นี้ก็จะมีคําอุโมงคาอยู่สองเรื่องด้วยกันคําอุโมาแรกก็คือคำอมาเกี่ยวกับเรื่องหว่านพืชครับนะครับก็คือมีผู้หว่านพืชและก็หว่านเอาลงไปใน ดินสี่ชนิดนะครับดินชนิดแรกก็คือดินที่เป็นทาทางนะครับดินที่ใช้เป็นใช้ทาทางก็คือเมล็ดที่ตกตามขนทางดินประเภทที่สองนะครับก็ปีพื้นหินครับดินประเภทที่สามก็กลางน้มครับนะครับมีน้มคุมอยู่ดินประเภทที่สี่ก็เป็นดินที่ดีทีนงครับดินสามประเภทแรกนะครับ เป็นดินที่ไม่เกิดผลแล้วในที่สุดเขาตายครับต้นไม้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ครับตายครับมันมีบางคนตายตั้งแต่ยังไม่เกิดครับก็คือมเมล็ดที่หวานลงริมขนทางนะครับมเมล็ดที่หวานลงริมหัวขนทางนั้นก็เปรียบเสมือนกับคนที่ฟังแล้วไม่ได้อะไรเลยครับ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ตกไปไม่ได้งอกคล้าอะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นพระเยซูได้สอนครับว่าผู้วานพืชหมายถึงบุตรมนุษย์ครับนาได้แก่พื้นโลกเมล็ดพืชที่ดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้านะครับเนี่ยครับพี่น้องเมื่อพระเยซูตัดเรื่องนี้แล้วพระเยซูก็ให้คําอุปมาสอนคําอุปมาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่อง ข้าวละมานและข้าวสาลีพียงครับข้าวละมานและข้าวสาลีนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเจ้าขอ ง, งานานั้นปล่อยให้ข้าวละมานโตขึ้นนะครับปนกับข้าวสาลีบางครั้งก็แยกกันยากนะครับแต่ในที่สุดแล้วจําเป็นจะต้องแยกครับแยกตอนไหนครับแยกตอนที่ฤดูเกี่ยวครับฤดูเกี่ยว พ่อพรีพระเยซูตรัสอย่างนี้ครับให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤ ด, ดูเกี่ยวในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่สามสิบนะครับในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราพี่นั้นเรเห็นชัดเจนนะครับจากอุปมาทั้งสองเรื่องนี้พรุ่งนี้เราจะทบทวนอุปมาทั้งสองเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจเพิ่มปีฮีบรูมากยิ่งขึ้นเพียงครับจากตรงนี้นี่เองนะครับสิ่งที่ผมดีใจกับพวกเราทั้งหลายรวมทั้งผมด้วยก็คือว่าความรักที่เรามีต่อพระ น, นามของพระองค์นะครับทําให้เป็นแรงจูงใจในการรับใช้ครับอาคาทเทเปาโลชมเชยเขาว่าความรักที่ท่านมีต่อพระ น, นามของพระองค์คือการรับใช้ทรรมิกชนนั้น ดังที่ท่านยังรับใช้อยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันปีใหม่นี้วันเสราร์แรกของปีใหม่อยากจะให้พวกเราได้ได้มีโอกาสให้ควรพิจรนารณาครับว่าการรับใช้พระเจ้าที่เรามีอยู่นั้นเรารับใช้ใคร ก, กันแน่เรารับใช้ตัวเองเราเห็นแก่นหน้าคนอื่นหรือเรารับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเข้าใจเรื่องนี้ ถ้าเรารับใช้พระเจ้าเราก็จะมีความอดทนเราจะสามารถดึงยาวได้ครับอาเมน